กรรมอะไรที่ทำให้ไปเป็นสัตว์ประเภทต่างๆครับตอบสัตว์เดรัจฉานเป็นสิ่งจับต้องได้เราสามารถเห็นพวกมันด้วยตาฟังเสียงพวกมันด้วยแก้วหูโดยไม่จำเป็นต้องมีตาทิพหูทิพซะก่อนฉะนั้นก็แปลว่าเราสามารถรู้เห็นการรับผลกรรมมากมายผ่านรูปชีวิตสัตว์อันหลากหลายมหาสารบนโลกใบ น, นี้เองบ้างเผ่าพันธุ์ เหินไปในเวองอากาศว่างบางเผ่าพันธแวกไหวไปในห้วงน้ำใหญ่บางเผ่าพันเอาแต่มุดหัวอยู่ในดินทึบและหลายเผ่าพันก็เคลื่อนไหวยอยู่บนผิวโลกรับผัด ส, สะร้อนเย็นต่างกันมีอัตภาพเล็กใหญ่ล้ำเลื่อมกันและสามารถกระทำการผิดแผกกว่ากันวิจิตพิสดา น, นักแต่สัตว์จะวิจิตพิสดารปานใด ชนวนเหตุอ น, นำไปสู่อาบายภูมิระดับเยรัจฉานก็ไม่ต่างกันนักหลักๆได้แก่ 1. มีจิตเศร้าหมองก่อนตายหมายความว่าไม่ต้องชั่วร้ายมากขอแค่จิตเศร้าหมองหรือพวงติดข้องอยู่ในความคิดที่เป็นอกุศลก็เพียงพอแล้วกับการไปถือกำเนิดเป็นสัตว์เนื่องจากจิตที่เศร้าหมอง ย่อมขาดกําลังระลึกถึงกุศลผลบุญฉะนั้นที่จะให้ไปสู่ภพภูมิที่จเจริญคงยาก 2. ประกอบกรรมชั่วโดยปราศ จ, จากความละอายหมายความว่าชั่วพอประมาณแต่ยังไม่ทะลุพื้นเดรัจฉานร่วงหล่นลงสู่นร ก, กรภูมิเช่นเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นได้แบบไม่กระพริบตา ขดโกงได้นาด้า น, านประกอบการแบบสับซสอนโป้ปวดมดเท็ดเอาตัวรอดไว้ก่อนร่ำสุราจนเมาไมายโดยขาดความเห็นโทษอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าประการนี้ก็เพียงพอกับการลงไปเป็นสัตว์เนื่องจากจิตที่สกปรกย่อมไม่อาจส่องสว่างคู่ควรกับสุขติได้จิตที่เศร้าหมองก่อนตายด้วยความเป็นผู้ทุศีนั้นหนักหนากว่าจิตที่เศร้าหมอง เพราะความติดข้องห่วงหน้าพวงหลังมากนักส่วนที่ว่าจะไปเป็นสหายของหมูสัตว์ชนิดใดก็ขึ้นอยู่ ก, กับกรรมแยกกรรมย่อยที่แต่ละคนกระทำต่างๆกันจำแนกโดยกล่าวคือ 1. จําจำพวกร่างเล็กใช้ชีวิตตามสัญชตาตญาณมากกว่ามีสํานึกคิดอ่านจริตรองรูปชีวิตแบบนี้ถือกำเนิดด้วยอำนาจกรรมชั่ว ที่กระทำโดยไม่ยับยั้งชั่งใจสักแต่คิดว่าใครๆเขาก็ทำกันหรือแม้เมื่อทำดีก็ด้วยกำลังใจที่อ่อนไม่เป็นตัวของตัวเองในการประกอบบุญกุศลต้องรอคนชักจูงหรือขยันขยอจริงจังถึงจะยอมทำแบบเสียไม่ได้ 2. จํจำพวกร่างใหญ่มีความคิดอ่านหรือสติปัญญาพอตัว มีลักษณะอุปนิสัยแบบมนุษย์ติดอยู่บ้างรูปชีวิตแบบนี้ถือกำเนิดด้วยอำนาจกรรมชั่วที่กระทำแบบยั้งใจได้บ้างอยากปรับปรุงนิสัยใจคออยู่บ้างเสียแต่ว่าแพ้กิเลสยอมประกอบกรรมชั่วอยู่เนืองๆมากกว่าแต่พวกนี้อาจเคยทำบุญมาดีมีกําลังใจเข้มแข็งไม่ต้องผลักดันมากก็คิดทาดีด้วยตนเองบ้าง ส่วนเกณฑ์โดยคร่าวที่ทำให้ไปเป็นสัตว์ในอัตภาพและสิ่งแวดล้อมต่างๆกันนั้นได้แก่ 1. ประเภทที่เลื่อนชั้นจากสัตว์นรกขึ้นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ยังเหลือเศษกรรมที่ควรแก่ความแผดเผาอึดอัดหรือเดือดร้อนทรมานมักไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอันลำบากกันดาลภูมิประเทศเขตร้อนจัดหรือตกอยู่ในภาวะบีบคั้น หน้าอึดอัดคับค้องหน้าตื่นกลัวอยู่หนึ่งเนือง 2. ประเภทที่เปลี่ยนจากความเป็นสัตว์สู่ความเป็นสัตว์พวกนี้ยังไม่หมดกรรมระดับเดิมหรือระหว่างมีอันตภาพหนึ่งหนึ่งก็ประกอบกรรมซ้ำเติมตนเองเข้าให้อีกก็ต้องอยู่ในสภาพเดิมๆต่อเช่นเมื่อถอยลงไปสู่ความเป็นสุนัขก็ขาอาจติดอาการเห่าเอาเรื่อง การแบบไม่เลือกหน้าอย่างสุนักต้องเป็นสัตว์หน้าขนชนิดเดิมซ้ำซากนับหมื่นชาติจนกว่าจะมีเหตุให้พัฒนาจิตเลื่อนภูมิไปเป็นสัตว์อื่นที่สบายขึ้นหรือไม่ก็ลดระดับตกต่ำย่ำแย่ลงเช่นพวกมีสันดานชอบความรุนแรงมักเสี่ยงต่อการไหลสู่เหวนรกมากกว่าอยู่กับที่ส ประเภทที่ลดชั้นจากเปรตลงมาเป็นสัตว์พวกนี้เคยสูงกว่าเดรัจฉานแต่ยังไม่สามารถระลึกถึงกุศลหรือยังไม่มีกุศลในอดีตมาช่วยเลื่อนชั้นให้ไปเป็นมนุษย์พอจะตายจิตอาจเศร้าหมองจนต้องตกต่ำไปเป็นสัตว์ซึ่งจะสบายหรือลำบากก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่สร้างไว้เมื่อครั้งมีโอกาสเป็นมนุษย์หากมีบุญหนุนอยู่บ้างก็จะลงไปเป็นพวกที่มีสิทธิเลื่อนชั้นขึ้น แต่หากไม่มีบุญหนุนเลยมีแต่บาปถีบหัวทรงก็ต้องไปเป็นพวกที่โง่หัวลืมตาอ้าปากยากหน่อย 4. ประเภทที่ลดชั้นจากมนุษย์ลงมาเป็นสัตว์พวกนี้โดยรวมคือเป็นคนประเภททำตัวตกต่ำจนหลุดระดับชั้นของความเป็นมนุษย์คือขาดความละอายต่อบาปซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขติภูมิ แต่เมื่อพลาดไปเป็นสัตว์แล้วก็อาจจะยังมีความใกล้เคียงกับครั้งเป็นมนุษย์อยู่คือเคยมีนิสัยหลักๆอย่างไรก็ไปเป็นสัตว์ที่แสดงออกซึ่งนิสัยนั้นๆเด่นชัดเช่นจองของพองขนชอบก่อเรื่องน้อยใจเก่งหรือขี้ระแวงแมวบางตัวหน้าตาขี้โกงและหวาดระแวงก็เพราะครั้งเป็นมนุษย์นั้นชอบเอารัดเอาเปรียบมีความตรนีถีเหนียวเห็นแก่ตัวจัด จนกลายเป็นผลให้ขี้เราแวงลุกลี้ลุกลนกลัวใครจะมาทำอะไรตนตั้งแต่อย่างเล็กๆ 5. าประเภทที่ลดชั้นจากเทวดาหรือพรหมลงมาเป็นสัตว์พวกที่ตกร่วงข้ามขั้นจากสภาพทิพย์มาอยู่ในสภาพหยาบนั้นมักมีเหตุอกุศลในอดีตมาบีบคั้นไม่ค่อยจะใช่พวกทําบาปหนักระหว่างอยู่ในพิมานแมน ัเป็นของหายาประมาณหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในล้านแต่เมื่อเป็นสัตว์ก็จะมีส่วนของบุญเก่าเกื้อหนุนให้มีลักษณะเลอเลิอดหรือมีความสุขสบายเกินพองเพื่อนเช่นเป็นหมาหรือแมวน่ารักเป็นสุดพิสวัสด์ขาดใจของหล่อเศรษฐีซึ่งยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูแสนแพงยิ่งกว่าเลี้ยงดูคนเสื้อถูกรนเปลเกินสัตว์มักทาให้เยอะยิงเกินสัตว์ไปด้วย แต่ความเยื่อหยิ่งนั้นก็มักผูกพวกมันไว้กับความเป็นสัตว์อีกหลายครั้งเว้นแต่พวกที่เคยอบรมตนให้อ่อนน้อมไร้ทิฐิและมีสำนึกคิดอ่านในทางถ่อมตัวมามากก็จะไม่เยื่อหยิ่งขนาดผูกไว้กับภาวะของสัตว์ได้นานนักสำหรับการที่ทำให้เป็นเป็นสหายของเราเดรัจฉานนั้นแม้คนธรรมดาที่ไร้ตาทิพย์ทั่วไป ก็อาจอนุมานจากความรู้สึกของตัวเองได้คร่าวๆเพราะมนุษย์เป็นภูมิที่อยู่สูงกว่าสัตว์จึงสามารถเรียนแบบลักษณะของความเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งๆได้ด้วยความเข้าใจประเมินหรือประมาณจากใจได้ว่าความเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆเข้ากันกับความรู้สึกนึกคิดแบบไหนยกตัวอย่างสักเล็กน้อยเช่น 1. ลองยืดคางลงตำ่ำ หอปากทำหน้าเหมือนลิงจะรู้สึกถึงคำว่าลิงหลอกเจ้าใจจะคล้อยไปทางชอบล้อเลียนชอบเย้ยหยันชอบลิงปล้อนชอบซุกสน 2. ลองทำตาดุร้ายและแยกเคี้ยวคำรามจะรู้สึกถึงคำว่าดุเหมือนเสือใจจะคล้อยไปทางชอบแสดงความโกรธชอบแสดงอำนาจข่มขวัญชอบใช้เี้ยวเล็บในการทำร้าย สลองทำเสียงฮงฮงดังดั ง, ดงจะรู้สึกถึงคำว่าเห่าเหมือนหมาใจจะคล้อยไปทางชอบบุงบง้งเบ้งชอบทะเลาะเบาะแหวงอย่างไร้เหตุผลชอบขู่มากกว่ากัดจริงชอบรอบกัดศัตรูจากข้างหลัง 4. ลองทำท่าเสือคลานไปโดยไม่ใช้แขนขาจะรู้สึกถึงคำว่าเกียดคลานเหมือนงูเหลือม ใจจะคล้อยไปทางชอบนอนกองอยู่กับที่ชอบสว่าปามให้อิ่มใหญ่ๆแล้วพักยาวอากุศลกรรมที่ทําทําไปทุกวันนั้นอาจรวมลงเป็นความชอบใจเข้าไขา่อาการแบบใดแบบหนึ่งในตัวอย่างข้างต้นจิตใจเป็นอย่างไรก็กระเดียดไปมีพฤติกรรมแบบนั้นๆและยึดพบแห่งความเป็นเช่นนั้นไว้ แค่ตัวอย่างสามสี่ชนิดข้างต้นนี้น้อยเกินไปหน่อยครับสัตว์มีเป็นแสนเหล่าแต่แล้วเหล่าอาจแยกย่อยได้เป็นร้อยสายพันลักษณะนิสัยแบบใดแบบหนึ่งมิใช่เกณฑ์ตายตัวให้ต้องอยู่ในพบจำเพาะเจาะจงเสมอไปเช่นตอนเป็นมนุษย์ชอบขู่ตะคอกให้คนอื่นกลัวตายไปอาจไม่เป็นเสือในป่าเพราะวาสนาที่แท้ อาจเป็นได้แค่รถไวเลอร์ที่ชอบกัดเด็กก็ได้เมื่อเป็นสัตว์แล้วแต่ละประเภทแต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีสิทธิพัฒนาที่แตกต่างกันการที่ได้มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงของคนมีบุญนั้นเป็นโอกาสใกล้ที่สุดที่จะยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นโดยอาจไปเป็นเปรตประเภทที่มีความสบายมากกว่าความลาบาก หรือถ้ามีวาสนาพอจะไปอยู่ในวัดที่มีพระผู้ทรงศีลให้ความเมตตาเป็นพิเศษก็อาจได้สปริงบอร์ดกระโดดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้เลยอย่างไรก็ตามการอยู่ใกล้คนมีบุญไม่ประกันความปลอดภัยเสมอไปตรงข้ามหากบรรดาโทสักเผลอทำร้ายมนุษย์ผู้เลี้ยงดูก็อาจกลายเป็นเงาดำใหญ่ติดตัวให้ผลแบบเฉียบพลัน เช่นถูกสัตว์ด้วยการทำร้ายสาหัสแทบจะทันทีกับทั้งอาจส่งผลระยะยาวเช่นขณะตายจะเป็นไข้ทรมานทำให้จิตปั่นป่วนและตกร่วงลงไปสู่ภพที่ยิ่งย้ำแย่หนักกว่าเก่าได้คนเราคิดอะไรบ่อยจิตก็ปรุงแต่งให้เป็นดีเป็นร้ายตามนั้นอยู่ๆจิตไม่ได้เข้าไปอยู่ในภพสูงหรือภพต่ำโดยบังเอิญ แต่บางทีนึกว่าผิดเล็กผิดน้อยนิดเดียวประมาทว่าคงไม่เป็นไรหารู้ไม่ว่าเมื่อสั่งสมจนเคยชินและกลายเป็นนิสัยติดตัวแล้วก็อาจรวมเข้าเป็นกรรมหนักให้ผลขนาดกำหนดทิศ ท, ทางไปสู่ความเป็นสัตว์ได้การทำทานสละความตรณีมีกระจรักษาศีลชำระความสักปรกไม่หมกตัวอยู่กับอบายมุขและเหนือกว่านั้น คือมีจิตคิดเมตตาเจริญปัญญาเห็นความไม่น่ายึดมั่นถือมั่นทั้งปวงจะเป็นประกันให้รู้สึกอุ่นใจออกมาจากข้างในว่าเราห่างไกลจากสภาพจิตแบบสัตว์มากแล้วนั่นแหละครับประเสริฐสุดเพราะหากพลาดพลั้งถอยหลังเข้าคลองแล้วโอกาสกลับขึ้นมาสวยสุขแบบมนุษย์ใหม่ช่างยากเย็นเข็นใจเหลือประมาณ